อคืองานที่เราเคยฟังเรายังไม่เห็นงานใดเลยู่นั่นเราจึงฟังไม่ได้คือเขาพูดกันกลางบ้านกลางเมืองแต่ก่อนเราได้ยินเราเป็นเด็กพอ้ยมันชื่อเกียจจะตายไปนี้มันจะบวชีะหวังเราก็ฟังเงมือนนั่นโบราณมาบวชนักปฏุบันบนี่โอ้ค น, นรู้เรื่องจากกัน่ พูดกันไปเขาจะโ น, นบดแล้วไม่ได้ทำไรทนาทำรั้วทำสวนมันจะคนอะไรไปให้กินนั้ น, น, น, งนังพลารอเฉยเราก็เฉยบ้างนั้นเรือเรายูเฉยงั้นไม่ได้นี่เวลาเลีเ้ยงสื่อมันก็เอาเป็นเาตายเขาว่าเราขึ้จริงออกอย่ง น, น, นั้นแล้วเป็นยิ่งหนักมารปฏิบัติธรรมตลุมบอลเลยเวลาก้าวพิลึกแบนี้เราตลุบอล เนี่ยคือเหมือนกับใ้มองดูเหมือดูหมองภาพการเครื่อนนะอย่นี้ก็สีังกอกที่แรกมากป็นเรื่องวันศุกร์ท่กลงไปแล้วไปมาครั้งมีมักลุมบางกันนิดนึงก็เข้าวันรที่เจ็ดนี่พอได้ผมเมือนังนังนั่ง แข็งไก่เหย่างนี้แต่มันก็เหมือนหนังหกระูกมันขนาดนั้นแล้วพอกิเลสมันหนามันแน่นมันเหนียวนี่แจกมานามม่ได้เขาขวานถากควานลงไปคันลงไปเดินมีกับบังโซซัตโซเซตามระตัมโลบไปมันก็มีกำลังลมออกหูไม่ออกจมูกเขหรือเปล่าสื่อหุ่นนั่งตรงไหน มันก็ลมหายใจจะหมดไปแต่จิตไม่แรงนั้นนะที่นจิตมันสว่างกระจ่างแจ้งแน่จิดกันโน้นนักจิตไฮบืนหนะักน้ำทุกขนาดนั้นพูดถีงยัื่องการทำมาสอนมันเหมืนเอากระปิดมลาลายน้ำทะเลเล่นเลยทำไม่จริงไม่เล่นด้ยวยเสียเวลาแต่เวลออกปฏิบัติมาไม่เคยได้ไลืมหูลืมถ้าอ้าปากเร่อยก็อกสบายเลย มึงตืนกับลมลูกคู่ครานั่นก็เบินกันแทบตายอแบบนั้นก็ดีตอนต้ลูกคุ่คราันก็ดีตอนมันจิตมันเสื่อมนี่ก็อ้าอีนแหละเป็นไฟนรกเผาอยู่ในหัวใจแสนทุกข์แสนลบากร้อนเหมือนขึ้นเหมือนไฟร้อนอยากได้มันนะไม่ใช่ร้อนเพราะความปรุงเพรอเหงกับโรคกับสงคามอะไรห่ะมันร้อนเพราะความอยากได้จิตมันเสื่อมไปกลับขึ้นมาฟาดลงไปเท่าไหร่นันก็มีเหต มือนกับขึ้นครบขึ้นจอมปลวกขึ่งไปขึ้นไปเงนก็กิ้นกลับมาทับเราต่อหน้าต่อตาเหมือนเขาจะแบนแบนพอฟืน้นขึ้นมาแล้วก็กลับไปขึ้นมาอีกขึ้นไปกิ้นท่านมาอีกอยู่นั่นเป็นปีนี่เสืมเพียงเท่า น, นั้นนะเข้าได้บ้างไม่ได้บัง่งคือตะกอนจิตธรรมะที่เต็มยิ่งแน่นปังเลย ตัวมันเสื่อมนี่โอ้โหผมในชีวิตของนักบวชเนี่ยผมไม่เคยเสียใจที่ไดนไหนเหมือนข่าวนั่นหนึ่งเสียอกเสียใจเสียจนเป็นทุกข์เป็นปืนเป็นไฟในหัวใจเหมือนไฟสูงไฟมันสูงอยนะู่ภายในโหนกตลอดเวาเพรความเสื่อมได้แมันดีอย่างหนึ่งมันไม่ถอยแล้วเนี่ยถ้าว่าอู้หน่อยนี่สุดจะดีกว่านะี่ปลายใหญ่เลยนะมันทั้งไม่มีอย่างนั้นหรืเอาเอาเอา นี่ทุกอันมันทุกหลายทักทักจะเสียวกักายมาพอได้หลานได้เจนเป็นจิตเป็นสมาธมิสบายบ้างไม่วุ่นกับภายนอกสบายจิตสงบไม่ยุ่งกับอะไรเนี่ยสบายหรืมากเสริม่างเงี้ยเอาจิดคืนมันไม่ได้เป็นไปย่าเงี้ยโอ้ปีกว่าแล้วพมันเสริมั้งแต่เดือนไอเดือนยี่มั้งจนเดือนห้าปีหลังมันถึงตั้งตัวมันได้ ที่ดูที่ปีกว่านะผมไม่ลืมนะอย่างนี้มันลืมไม่ได้เพราะงั้นมันํามันได้ที่แล้วมันึะเหมือนกับว่านายควานช้างขึ้นบนคอช้างแล้วราบหัวมันลงนันอ่ะมันเป็นใจขึ้นมันไม่ได้น่โ้โหช้างมันจะฆ่าเราจะตายเอาให้ตายพราแค่อันนี้มันไม่ใช่เป็กิเลสมันเป็นมรรคเนี่ยคือพลังของจิตมันไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสมันจะแก้กิเลสได้อย่าไ เหลยอเปนพวกเดียวกันมันแค่กันได้หมดมีแต่ช่วยกันผูกแล้วนึ่งแต่นี้มันเป็นฝ่ายมากเพราว่าโกรธก็โกรธอย่างแบบมากเลยนะไม่ได้โกรธแบบโลกเขาโอ้โหขนาดกันลุงตั้งแต่นั้นมาโอ้มันเป็นธรรมะถึกเอกเลยตั้งแต่เส่อมแล้วมันได้กลับมาทีหลังเป็นธรรมะถึกเอกสอนเรายังได้อย่างดีคุ้นอะไรไม่ได้เล่ทีนี้พราะได้พูดได้ ตัดถึงใจกันลงแล้วว่าถ้าเสื่อมตอนนี้ให้ตายซะเลยอยู่เป็นคนไม่ได้ต้องให้ตายกับความปันเนื้อความเสื่อมไม่อย่างนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้มันเสร็จมันหลับขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อมอีกทีเพราะความระวังเนี่ยอันนั้นแหะความเสื่อมเป็นครูเอกสอนเรา อ, อะไรย่งคุ้นไหม น, นะแม่แต่มาบ้านนี้มาเยี่ยมยมแม่ถึงยมแม่มาทักทายที่ขึนเพ่นเพ่นเพ่น เ, เ, เ, เลยมาอยู่มาติดไอ้ไง มันควันหวัวใจลงนี่จะทุกข์กันหนึ่งตอนนี้จะทุกข์มากกันทุกข์ที่ทรมานเต็มที่เต็มฐานเพราะความเครียดแท้นจิต ม, มันเถื่อนพอได้ที่แล้ว ไ, ได้ที่อันหนึ่งก็ยังความชัว่ว ไ, ได้ที่อยู่ะไรอาวทนี้มาเสี่ยงธรรมดาอะไรเ้ากำหนดตอนที่เอากันหนักๆ น, กนี้ตอนสู้กันห้ำบุ้งห้ำขำ โอ้โหไม่ลืมน้ามันเหมือนกับวันนี้อยู่นั่นแหละมันติดไ่ในหัวใจมันจะอะไรมาดีก็ทุกอันหนึ่งแต่น้ำตาสบายไปไหมจอยู่ด้วยสมาธิสบายสบายนี่ถูกพ่แม่โหจางกันมาประยุทธ์นั่นมาพลิกออกทางด้านปัญญานี่เ้าวที่นี่กับกองทุกอญ่างเลยนี่มันทุกเป็นขั้นๆนไม่ใช่ว่ามันจะทุก แต่พอก่อนตะเกียบตะการทุกตอนตะเกียบตะการเขาผ่านมาแล้วพอมาได้หลักใจน้องจิตดิ้งมีความสบายท่านมาประมาณนอนใจนั่นน่ะมานิพพานอยู่ตรงนี้นิพพานตรงนี้อยู่ที่สงบนี่ไงแนวแน่ของไปนั่นเสียมันเยากเย็นนะถูกควาแน่อหจา์ข้างหาน้นาเขาเป็นหนักแล้วมดึงอ อ, ออกมาออกมาก็ตันเลยเปิดตัวนี้แล้วมีสายาผ่าฝนนี่แะออกมาฟาดกันใหญ่ นอนไม่ได้โอ้โหกลาคืนนอนไม่ได้บางทีทั้งสองคืนที่ติดกันเลยนอนไม่ได้กลางวันไม่นอนอีกเดินโยกงตั้งแต่ทำอาหันแล้วจะมาทั้งปัดกวาดฝ่าเท้านี่ออกร้อนโอ้โหมันเดินยังไงก็ไม่รู้ะมันไม่เลยคำหนึ่งถึงไม่รับเวลาความร้อนความหนาวอะไเลยมันหมุนติ๊ดติ้วติ้วอย่างนึงน้ำอะไรๆกะทำไม่สนใจเลย จิตมันไม่ออกมันยิงหมุนจิเดินนี่ก็เข้าป่าเนี่เดินไปเข้าป่าคือกินไม่ออกมันหมุนนี่ตามก็เลยมืดไปหมดมันทางานนั้นนะีก็ยืนนี่เียเอาเนจกแดไม่มีรไม้เลยฮะตาแดดมนช่างมันตรงลงยหมมีไหมอ่นี้หอรนคนนนม เห็นทพักโอ้โหมองเห็นการน้ำโดดไปเลยทเดียวมันจะตายอ่ะคือน้ําไม่ทันนี่สำนักตแต่เวลาทำเมืนงเพี้ยนไม่คิดหาอะไรเลยไม่ไม่ลืมเนี่ยทุกขนาดนั้นอ่ะกลางคืนนอนมันไม่หลับนี่ยเพราะมันทํางานมันหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนนั่งหมุนติ้วอยู่งั่นนอนก็หมุนอยู่นั้นแตให้มันหลับมันก็ไม่นอนหลั ไม่หลับเลยลง โ, ลโดยหนังกมก่อไม่ต่อกับกสว่างใช่ไหมทนอ้หเสร็จแล้วแห้ น, หนอนมันก็ไม่หลับงานมันยังมีนั่นอาลงาทางกงารมกับฟาดกันที่สุดทีนี่มันเพียรู้ทัดกทันนะสร้างกายก็เพียรใจก็เพียรโอ้โหงนที่โตวิจารณ์ถึงหกเราคาดนี้คาดถึกคาดความจริงทั้งนั้นก่อนเชื่อ ความภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นไป็นแน่จะค่อยสบายไปสบายไปจิตระยัดเข้าไปเท่าไหรจะยิ่งจะมีความปราศจากสบายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราคิดว่างั้นนะเราคิดพลาดเอาไว้นี่ยิ่งและคิตระยัดเท่าไรยิ่งจะมีความสบายมากเป็นความคิดคลาดอุ้ยเฉไม่ใช่ความปีนเวลาไปเจอความปินเข้าไม่ได้เป็นหนังนั้นมันเป็นคนละโลกเลยตรงนี้ก็จะเอาความว่าจะเอาก็ต้องหมุนเลยที่ตรงนี้ก็จะเอาน่ะ ตรงนี้ก็จะเอาหนุยื่งตอนปติปันดาหนุนนี่มันเป็นธรรมจักรนี่นี่มันทุกข์มากจริงบางทีก็ล้างจิตเข้ามามันมันจะตายจริงหนุมันไม่ไหวแล้วมันจะตายจริงล้างจิตเข้ามามันก็จะออกไปพิจารณาล้างเอาไว้แบบบางครั้งป็นจริงเอาพุทโธอัดเข้าไปไม่ลืมนะาพุทโธโต้ผียิบเรื่อย ไม่แม่มันคำว่าเผลอนั้นพูดไม่ได้นะเช่นอย่างว่าพอเผลอพูดพลุมันติดปุ๊บไม่ใช่งนั้นนะพอปล่อยอยิ่บ้ามันติดปุ๊บว่างั้นพูดยังไงพอละามมือจะหน่อยปั๊กแต่งานนแต่งานที่มันทํากำลังการไม่ดีว่าพู ด, พดเผลอนี่ผมพูดไม่ออกพูดไม่ได้เพราะมันไม่ได้เผลอนี่เอาอะไรมาเผลอว่างั้นเลยมันขั้นนี้แหละเอาอะไรมาเผลอว่าว่านี่ยมันกล้าขนาดมันเป็นขนาดตึง ขึ้นมาจนมันต้องหลับมันอะไมาเผลอเผลอมอะไรแม้แต่ทั้งขามันขุนแย็บมันกระเพือนเหมือนกับว่าโลกระท่ากระเพือนถึงเวลาสติปัญญามันออกทำ ง, งานเหมือนแล้วเพียงทั้งขานันแยบเท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับกระเพือนปลุกสติปัญญาไปพร้อมกันเลยแม้แต่กัรนั้นไม่กระเพือนมันยังจาะกันอยู่มุอองอยู่แล้วยิ่งมียเรากระเทือนปั้งปุ๊บเลยปุ๊บเล ย, เลยมันเผลอได้ยังไงเราเพิ่งพูดไม่ได้ความันลอพียงว่าพอรามือพอรัติพอละลาหน่อยหย ออกมาถ อ, อยออกมานหน่อยหน่อยพูดงั้นนะมาดูรู้เฉพาะว่าไอ้จิตนี้กับผูืมาเห็นคุณค่าตอนนี้ตอนนีสมาธิตอนนั้นเหมือนไม่มีสมาธินะตอนนีออกตอนนี้ทำรากบัญญัตมีแต่ความร้อนคือความร้อนใมาเข้ามา ร, มา ร, มาร้อนมันเพียมันต่างแลไม่ใช่ร้อนเพราะอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นนะมันความเพียรความไม่สมาบุญอ่อนอยู่ภ า, ายในจิตภายในสมองัน ยังนบ้างพุทโธไหมไว้พโธพุธโทธโธพุทโธทีิ้มไม่ยอมออกมุกไปไหนว <c ười> มาอยู่อยู่ค่อยค่อยอ่อนลงมาอ่อน ม, มันมันพุงพ่งพุ่มันจะไปทํางานมนเสียดายงานอะไรลงมางานไม่เสร็จมันก็ไม่ถอยคําว่างานอนี้มันจะแพ้ไม่ได้คุณยังไงคําว่าแพ้ให้ตายซะดีกว่ามันไม่มีคําว่าแพ้ไม่ให้มี อะไรเราขานกว้านขาดสะ บ, บั้นไปเลยตะกี้ปัญญาขั้นี้แต่นั้นมันยังไม่ขาดเลยที่ไม่ขาดมันก็หมุนกันนั่นมันไม่ถอยเราก็จะตายที่เพราะร่างกายขันนั้นเป็นสนามเป็นเวทีระหว่างมัดกับสมูกไทยฟาดกันอยู่บนเวทีคือขันมันจะไม่แย่เลยมันเป็นล่างการรมปุถุตถุทีิยิดไม่เห็นยังหอก ตั้งใจเอาแต่ดูอยู่กับพุทโธอย่างเดียวทีนน่อีะ่ะก็สมบลงสลงอ่อนโอ้พอลงโยลงไปไมเหมือนกัได้ทางสามตัวใหญ่ห้าตัวกนะำลังรู้สึกว่าสบายเบาหมดถึงขนาดนั้นมันยังไม่ถอยนะั่นปล่อยไม่ได้นะั่ น, นพุ่งอีกนะ รวมก็ต้องรวมด้วยความบังคับนั้นนี่นะบางท่านที่เราบังคับแล้วมันก็ลงไปสงบได้ถ้าไม้ก็รู้อยู่ว่าส้าไม้จะปล่อยไมนะ่ได้ปล่อยก็ใครจะออกออกปาญหาเานยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสมาธินักโทษสมาธิขั้นมีภ ว, วัง <c oughs> มีความจริงนันไปนคือมันจะพุ่งปัหางานไม่มันจะพุ่งเพิ่มไปอะไรละมันไม่มีอะไวเรื่องนอกอมหมดปัญหาไปเลยสนใจอะไรนอกจากเรื่องอภายในนี้ หมุนภายในเนี่ยคืว่ามันมันออกออกอยออกพิจารณาเรื่องภายในนี่ออกค้นฟวาฝับฟันกันมีความสงบลงไปแน่วบางครั้งอยู่นั่นจนกระทั่งมีมีเลี่ยวมีเลี้เข้ามาเราลองปล่อยร่อ ย, อยนี่นะพอปล่อยมนถงเลยชนไหมเางพันกันเลยแต่ครั้งนี้ผิดแปลก น, นะ มันเหมือนกับว่ามีดเล่ม น, นั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละคนเก่านี่ยมีดก็เล่มเก่าไม้ก็ต้องมีฟันขาดก็บ้านเลยมันเหมือนกับว่ามีดเราได้รับผีคนก็ได้รับการอาหารพักผ่อนมาแล้วมีกําลังบางทางไม้ก็ไม้ท่อนนั้นแหละฟันลงไปขาดเลยกันแต่ความอยากหลุดจากพนอยากรู้อยากเห็นอยากชนะอย่างนี้เนี่มันมันเหลือกําลังะ มันจริงไม่มายึดเอานี่เป็นหลักเป็นเชนว่า ม, มีในเวลาปฏิบัติ ท, ท, ทั้งท่านก็เรับความสบายเพราะสมาธิ้วมาานันก็ยังไม่สนใจแบบนี้มันยังสนใจนน่นเรื่องกระทั่งมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วถึงมันมาพิจารณาทบทวนอ๋อตรงนั้นโคตอันนี้คตโคงอันนั้นอ้อม อ, อันนี้ตรงมันรู้เลยย้อนหลังรู้หมดแล้วเป็นบทเรียนอันหนึ่งเป็นธรรมเทศนาอันที่จะสอนมู่เพื่อนได้สะดวกสบายเพราะจะของได้่านมาแล้วอย่างนั้นหนั สติปัญญาที่มังหมุนนั้นมันก็ถึงก็ต้องวีจตกวิชาร์ที่เราคิดไว้ทั้งนั้นโอ้โหความจริงนั้นมันไม่เป็นหนังนั้นมันเป็นคนละโลกอืคิดแล้วอยทะเละนอย่าะะะะมีความสมาสมายผิดทั้งเผยความจริงนั้นมันเป็นอย่างนี้มันทํายที่หนาวอยู่ที่ไหนมีเพียงแต่วุ่นอยู่กับงานก็หลับ แล้วเมื่อไหร่มันจะจะหจุดกันหาเงียบแต่ก็จีฮั้นสบายสบายจีมันก็ไม่มีหรือทํไมมันจะเป็นอกตุราไปเีเวลาล้ำพื้นไม่ต้องมีนะแต่มันชั่วขนาดนั้นนะพอปล่อยพอหยุดล้ำพืนปั๊บปุ๊บเขาเลยอ่ะเขาทางานไปมทั้งนั้นมันขาดสะบั้นแล้วชาติเกิดลอทีมันก็คุ้ยเสียงคุยเสียหาจีเรียนเวลาที่จีเรียนมันมอกนี่คุ้ยเสี่ยอู่พานใจนี่แหละต่อกว่านีจีเรียนมันออก คุ้ยเฉียฟาดฟัฟรรนทำมีพอทำมีกํลาลังคุ้ยเฉียบฟาดฟันที่เหลือดีนอกกหแพงนกว่มันมาอะไรมันจะอยู่ไดีไ่ยแต่เวลาไปเต็มที่มันแลเลยขาดเป็นหมดด้วยกันที่เหลือกันหายหน้าไปไหนเรสติปัญาที่มันหมุนจิ๊กจิวไม่ทราบว่าหายหน้าไปไหนต่างอันต่างหมดความําเป็นไปด้วยกัน อยู่แบบกระสุนสาดๆที่นี่อยู่ถ้าเราจะคิดถ้าเราคิดในเนี้ยคือในเวลาที่มันขึ้นนาของมันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นจอมปากสลาดแล้มคมคุ้ยเกลียวขุดค้นการมาเทียบเวลามันดึุดงานคือเหมือนกับว่าคนไม่มีสติปัญญานะเราจะเทียบน่ะเออไม่สนใจเข้าอะไรอยู่เฉยมันเฉยธรรมดาเฉยมันปล่อยเอาหมดที่นี่เป็นแบบนี้เยอะที่ไหนวะขึ้นผ้ากับที่ เธอว่าจะของเนื้สินท่าอะไนีนี่ยสินท่าเัวนี้สินเถอะมาสบายแสนสบายเลยเฮ้ยสนใจก็อะไรที่มันหมุนเกีวๆหายเงียบไปเลยอืมเป็นเล่นมีกอเดินไปเลนกิ่งก้าวเล่นวิ่งก่ายเนี่ยเนี่ยเลินมีกมงใป่ามั้งกันกระแตเล่นกระแตเนี่ยไม่เลยืองอ๋อมกันเน แต่จะต้องมี้าของตรงไหนเราไม่เห็นจะตํางมีอะไรเล่นกับมันเล่นกับสา ย, ยกนะ็เล่นโดยกองตรงสามนะไม่ได้เล่นโดยรังคุ้มสามความรักฟังตรงสามรู้สึกมันมันเหมือนกขาเป็นคนเดียวกันบางทีคนอื่นเขาฟังแตก็ว่างว่างบางที่เราพูดกับมันคุม้มภูมิเป็นคนเดียวเหมือนบ้าอย่างนี้กระแต่เดินไปด้านตา ม, า น, มนี้เหมือนเห็นมันแล้พูดกับมันไปหวานผ่วอยนะู่เนอะ แพนั่นออกมานอ้้มนก็ไม่หางกล่อมไหหางเอาแล้วกัดทองหัวหางขอกล่อมตัวบางตัวหางทั่บางตัวก็ไม่ทั่วเฮ้ยยิ้มไมนีแปบลบแปยืนแงๆทั้งเลยพอาเราไปนั่งป๊มานี้เด็กไกนะเดินยงนเดลบแ่๊นีลบแกอนละเดินแป๊บปุ๊มานี้ัไม่ครัวอะไรนะพอสนุกดี มีพูงเรื่องความลำบากร้อนละบากอ่นันนะผมลำบากจริง น, นะถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ตายแบบตไม่รอดนะยังเป็นอยทุกวันคือกาลังมังตาล้ไม่เอเลยเลยถ้าขันมันมีแต่ชุดคือปํารุงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เออย่างนี้นะไม่ทราบว่ากินในไตัวอะไรทั้งนมทั้งเลยทั้งอะซึ่งต่กอนผมไม่เคยสนใจสำนมเลยสนใจไม่ได้ถ้าผมมันผิดกับภาพทั้งหลาย ผมก็แปลกใจเมื่อกี้ก็ถามหมูถามเพื่อนน้อยเห็นอี่แล้วนึ้าว่ามันมีอะไรผิดปกติของมันทริมนก็มีลักษณะปวดๆอยนี้ถ้าอย่านั้นก็ในระหว่างถ้ามันไม่ปวดสำันเนี้มันเสริมอะารมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ก่อนต้องกดมันเป็มที่เดี๋ยวนี้เสริมอะไรอะไรอย่างนั้นมันจะไปทําวามเพียนได้ยังไ ทำไม่ได้เน่ยทุกวันแ้วจิตใจมันก็อดถ้าเราพูดถึงจิตใจเหมือนแต่กอดมันมันก็จะตายทิ้งมาปอดพาร่างกายตายถ้าสมมุติว่าใจมันเอาการทำงานอย่างนั้นสมบูรณ์สมันต่อร่างกายร่าการอย่างนี้เราจะทําไปทํางานได้ย่งไรรถโปรเตอฟอเรลขับขี่ไปไหนมาลงพาลงคลองที่ ก่อนคือใจมันกับความมีมั่นพลังของจิตที่จะเอาจะเอานี่มันมีกําลังมากคร่วันมันไม่มีฟุงคงปิน่ะแต่ว่าโง่วาสนาเขาไม่ยอมเล่าก็เไม่มีก็ว่าไม่มีไม่มีว่าอะจรเป็นแต่ควานที่ว่าจะพ้นคุกจนเอาชีวิตแล้วเป็นตายก็ตามแต่คําว่าแพ้ให้มีขอให้พ้นอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวนี่หมายความมันมันหนุ่มมันติวอยู่กาลังมันชีวิตมีความหมายถ้าพ้นไปอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นความหมายของจิต มมดอย่างนั้นมันกัลาคกควเพียรไปหมดเต้นเม็ดเต็นเต็นที่เต็นฐานนีว่าพูดเราเต้นเหนียวเลยที่ทก ำ, ำลังยุ่งหยิบมีความมุ่งมั่นมันมีกาลังขนาดนนมันเหนือจีตายก็ตายคาว่าแพ้แพ้เลยไม่ได้เป็นขาดต้องพ้นเท่านั้นแค่ น, นี้มั น, มนอยู่วิ่งเฉยหรืมไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับว่าเราคนหมดความหมายก่อก็อนแรกๆแต่บางทีพูดม ไม่นี้มีเฉินแต่งตั้งจะก่อนมัมีขนาดไหนเราก็รู้เดี๋ยวนี้มันไม่มีดูไปนั้นวันปีนี้มามาพนจารณามันมีแต่เมื่อยกระแทกตอนี้อันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่จะมีแต่ิตตัว่าดภาพในรูปนั้นเป็นอย่างั้นเรื่องนั้นเป็นนั้นเรื่องนี้เป็นนี้อันนั้นเป็นนั้นนี่เปนี้นี่แต่จิตตัว่าภาพอยู่นี่เจ้าของหลงเพลินไปตามไม่เคยคิดมันไม่อยู่เป็นสุข มันพักว่านั่นวาดมีขึ้นมาแล้วหลอกจะของอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวมันก็อยู่กับอารมณ์จะของเงินอารมณ์ของขันแล้วขันที่มีที่เด็ดด้วยมันไม่ใช่อารมณ์ของขันดิมันเป็นอารมณ์ของที่ไหลเมื่อละข่าที่เหลือลงแล้วขันมันวาดไปไงมันก็รู้ค้าประสารภาษามาคือมันมันวาดพับพมากระดับไปพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมไม่มีอะตรไปเหนี่ยวไปร่างด้วยมีอะไรเกี่ยวยงนั่นต่งเดียวว่าขันร้อนร้อนมันทําันยุ่ยเฉยไม่ดูขัน มันเป็นน้อมีสามันนั้นต้องมีคิดมีปรุงเรื่งนั้นอย่างนี้ยั ด, ยดๆไปแต่ว่าปรุงเท่าไหร่มันก็ดับไปพร้อมๆ ม, ม, มันไม่มีอะไรเป็นเยื่อใยเลือดเป็นอารมณ์อะไตรอยเงี้ยคิดเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีผลแสดงขึ้นมาให้เป็นทุกภายในดินหมือนกันอกจากเวลาเราใช้ความคิดความอ่านเกี่ยวกับสิ่งนั่นสิ่งนี้มักระแทกมากมันก็เหนื่อยขันนะครับมันไม่ใช่เหนื่อยจิตมันเหนื่อยขันมันฝรุ้ แ เ, เนี่ยคือว่ารูหัวใจนี่มันอ่อนอยู่พงภายใ น, นยมันก็อ่อนอยู่ตรงหมอบหัวใจก็บคือร่างกายมันเองไมันก็รู้มีมา ป, ประเด็คือมันเกิดคืนนี้เาีเก็ดเล้นเกิดวันผมก็นั่ง น, น, นั่นี่คนคนเดียวเีทาทไงคือคือภาพมันบบสบายผมเอามีอสภาพดีบ้างหางานนั้นงานนี่ มีสูตถึงเรื่องความทุกเป็นยางั้น่ะ้ยาวกบไปใสาไม้ทั้งต้นนะอยากทำความเพียรแบบเอากบไปใสาไม้ทั้งต้นไม่ไม่เกิดประโยชน์ควรตัดตัดมันด้วยขวานควรถากถากมันด้วยขวานควรด้วยด้วยมันด้วยด้วยควรเจาะมันเจาะด้วยสีไว่เลยเครื่เจาะความเปี่ยงเปี่ยงทุกอย่าง เวลามันอยากเรต้องเอาให้หนักมือเราจะไปทําแบบอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นนี้ไม่ได้เรื่องเพรนั้นแหละถึงเวลาจะกบใส่ไม้ทั้งต้นใส่มั น, นมีเหมือนอย่างนี้มันผ่านขวานมาแค่จนพอแล้วมันถึงขั้นที่เขาจะใส่แล้วก็ใส่ดูออกที่เร็เวลามันกําลังผ่าดผลเราจะทําอ่อนแรไม่ได้ถ้าเราต้องการจะเอาชนะที่เล็เราต้องหนักมือ ที่เหลศหนักเราก็หนักเนี่ยชื่อเกว่ามัชชิมาปฏิปัชฌะเหมาะที่เหลกมันผ่าผลเอามัชชิมาเครื่องมือของมัชชิมาอย่างผ่าผลออกมาท้ายนะแล้วที่เหลกมันอ่อนเราก็เครื่องมือก็มาตามก่อนมัชชิมาคือความเหมาะสมกับที่เหลกประเภทนั้นๆปากกิเลศเป็นนั้นเหมาะสมยังไงกับเครื่องมืออะไรมันรู้กันเองปฏิบัติตัวเวลามันกําลังผ่าผลนี้เราต้องเดินท่าให้หนักมือ ต้องฝืนจนทีที่เดียวเหมือนอกจะแตกผมยอมไม่ถอยยอมรับว่าทุกข์ว่ามันแต่ไม่ถอยถ้าทิเด็ไม่ถอยที่เด็กไม่ตายไม่ถอยว่าอยากหเห็นหัวใจที่มันถูกถูกบียถูกบังคับเป็นผู้ต้องโทษต้องขังเป็นนักโทษมาหันตะโทษอย่างนี้มันจะหลุดลอยออกมาให้เห็น มันจะเป็นยังไงมันต่างกันยังไงบ้างกับติดที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ด้วยอำ น, นาจของกิเลสกับจิดที่ถอนตัวออกมาจากกิเลสเหยียบหัวกิเลสแท้แหละเลยนะจิตเด็ขึ้นมาเป็นอิสรภาพมันเป็นยังไงผลมันต่างกันยังไงผลที่ถูกกิเลสบังคับ ม, มีแต่กองทุกข์กองทรมความทรมานภายในใจ ไม่ว่ายียาบทไหนก็ม่ว่าอุตสมันเป็นภุกตัวเวลาในหัวใจหาความสบายไม่ได้ภารกิจไม่หมดไปเสียเท่านั้นลืมหูลืมตาอ้าตาาก้ากเอาทำมันตายจนเกลี้ยงจงไม่มีอะไรเหลือเออเอาเอาที่นี่อยู่นีนไปอยู่ไปเจอมีคท่ น, ทนี้ละโลกมีก็มือกับแย่งมือกับแก่งเ น, นั้นนะนี่นอะไรอันนั้นเป็นนั่นนี้เป็นนี้ก็ไปว่าดภาพรองปรองผู้นี้ไม่ออกเสียเหมือนโลกไม่มี เป็นห so ัวใจดรงเดียวเนี่ยพูดิ้นอยู่ตลอดเวลาเอาตรงนี้อย่าเอาอันอื่นนะเพราะแม่พรงอจารนั้นอุปโนโคมอุปโนโคมียเกิดที่เราเนี่ยเคยที่เราเนี่ยเห็นมันลเราเราอุปนโนโคมีเอามันตรงใจที่ใจนี้เลยเอามาตรงนี้เอาตรงนี้วางมันแข็งเพราะเราเคยเห็นผลตรงนี้เราเสียสละทุกอย่างเนี่ยทำไมจะเสียสละเพื่อตัวเอง ดวยความเปลี่นนี่ไม่ได้แล้วอย่างอื่นก็เสียตลาดมาแล้วตรงนี้ตรงที่จะเอาจินอาจังที่เสียหลักกินจังนี่ทำไมเสียได้ mm. อ, อย่าไปท้ออย่าไปคิดเรื่องอดีตี่เลยทำมาทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้เอาที่ดิกฤตมันยังเหลือเท่าไร้าดมาันลงไปเอาตรงนี้เป็นปัจจุบันธรามเดยู่สมอง พ้ า, าเราคิดคิดวรืนี้แล้วก็ทำมาำบหบักมาอย่างนู้มันย้อนหลังมาแล้ว น, น่าคดีเด่นหลอกนั่นนะโอ้ยทําให้อ่อนแอโอ้จะไปได้หรือไปรอดหรืองานหลอกแล้วเห็นไหมคนยายังคดีเด่มันแหลมคมไหมเราเคิร์สในหลักไปรันทีคดีเมันหมดประสาทใจแล้วมันไปสนุกคิดไปคิดเรื่องอะไรก็ดีพราะคิดใหม่เลยมัดระวังว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอาจจะเป็นโทษเป็นทันเป็นถุกเป็นทุกข์เรื่องอะไรต่ออะไร มันไม่มีคิดรดอย่างอิสระเลยดีจะพิจารณาเรื่องอะไรพิจารณาได้อย่างอิสระเลยดีที่พอคิดพักพอหยุดคิดพักหายเงียบเลยไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์กิเลสเท่านั้นแหละมันพาทําเป็นให้เป็นอารมณ์ถ้ากิเลสตายแล้วมันไม่มีอารมณ์คิดอะไรจะคิดตาก็คิดพออยู่ภาพหายเงียบหายเงียบหา ย, ยเงียบไปพร้อมเหมือนกันกนบนกพินบนอากาศล่องลอยที่อย่างนี้ เอาให้กินให้จังล้วทุกข์กเพื่อเรานี่ทุกข์เพื่อแก้ให้เราเป็นอะไรไปมันตรงไหนที่จะมีพอพูดได้ถ้าไม่งยาพูดอยูอ่กวนบักมันนานๆไม่ประชุมกันวันนี้ก็ออกพูดนานหน่อย